อนาปติวนันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ321 1้ิภิกษุพักอยู่ 2-3 คืน2อภิกษุพักอยู่ย่อนกว่า 2-3 คืน3าภิกษุพักอยู่2คืนแต่ออกไปก่อนอรุณของวันที่3แล้วกลับมาอยู่อีก 4. ีภิกษุเจ็บไข้พักอยู่5้ภิกษุอยู่ด้วยทรัพของผู้เป็นไข้6กภิกษุอยู่ในกองทัพที่ถูกฆ่าศึกล้อม เจ็ดภิกษุถูกใครคนใดคนหนึ่งรบกวนแปดภิกษุพักอยู่ในคราวมีเหตุขัดข้องเก้าภิกษุวิกลจริตสิบภิกษุต้นบัญญัติเซนาวาดสิกขาบทที่เก้าจบ